ทุกในวัตฏะสงสารในปัจจุบันน่คิดปัจจุบันนระทำปัจจุบันใน่ะคิดปัจจุบันน่รทำมันในที่พ้นจากกิเลสตายข่ากิเลสออกสำหรับกิเลสรุ่นบกํกำลิบข้าพระเช้าต้องการและประสงค์ปัจจุบันน่ิตปัจจุบันน่รมนั้นเนื้อแน่นนั้นเป็นกรรมปัจจุบันน่คิตปัจจุบันธรรทย่อมว่าท่านทั้งพิทังขิง ปัจจุบันจิตปัจุบันนัธรรมอันไหที่รุ่พ้นกับกอบมรเสษปัจจุบันอันนั้นเราไม่ใช่ปัจจุบันปลอมไทยอ่านในหมดเท่านั้นละปัจจุบันโสดาบันก็อ่างปัจจุบันพระสกทาข้ามีก็อ่างปัจจุบันพระอนาคามีก็อ่างปัจจุบันท้ารหันอ่างปัจจุบันเตรียมผู้นี่นะดูตามเป็นจริงห้องปัจจุบันด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงห้องปัจจุบันด้วย ผลตามเนจริงห้องปัจจุบันด้วยเต็มภูมิหญิงย้อนกกันปัจจุบันผูกหวังผลทุกในปัจจุบันนสิสสาก็มีหญิงย้อนกอนก้นอนผู้นหนวังผลทุกในปัจจุบันนสิสสากยังบวซักลงในปัจจุบัน ผู้วังนนนวผนทุกแดดและสิพลผู้นี้เจตนายังไก่ไปอีกอยู่ผู้วังผลทุกต่ปราถนาวระพฤติจปราถนาพระพุติเจาะนังแต่ตยังไก่อยู่เพราะลงทุนรายที่นี่ผู้วังผลทุกในปจวบนาคิดประจวบรศาสตร์นี เ่ปฏิบัติธรรมนี่มาแล้วมีของขาแกลงไรแกลล่อะไรด้วยถึงที่เป็นภูกกกมีสาวกกตาำถึงที่เป็นนิสัยสุขคายุะทธ์เจ้กูกระาตาถึงที่เป็นนิสัยเตโชะจพินโนพระสมพิทัประตูกะตาำ ม, า, นนมาแ ล, ลา้วมีขาอแก่เลี่ยเขาจึงอานฐานในเกตนีตหน้าจิตของเขา เท่นเต่าของผู้นั้นสีวังแผ่วังสนะในบุคคลภายนอกมันถึงมาเป็นเจ้าห้วใจเข้าใจวะมันสิงมาอยู่กับเกา้าอีไ้ไหนมันจะรว้พด น, น, นมาจากปักทูกไหน ทีรถจีบรถจ่าของเขาเขาทีปติทินนี้ในนิมิตได้นี่มันเปลี่ยนว่าเครื่องหมายด้วยเขาทีปติทอยู่ในรูปเสียงกินรถโพธิภพถ้ามาร่วมจนลืมตัวเป็นไปได้บอก เขาจะไปะติดอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันจะลืมตัวไปเป็นไปได้บอกอยาดวงนี่แก่แล้ควค่มก่าแล้วยากเหมือนกันยากจะเป็นไปได้ใ น, นกิเลสเาถมีเท่าฝ่าทอแผ่นทอแผ่นดินเพ่นดอนเขาก็ขับไปสัวรัตน์ในมือเดียวนะ พอกำลังสัางสารดิวันมีเนี่ยมาเป็นเจ้าใจเขาได้แล้วจองมาได้จองห้วใจเขามาได้ มากกวมาพัดพัดพายพายไปแล้วก็สู่กำลังอ น, นี้บ่ได้ก็ออกไปสู่กำลังในเกยตหน้าอันนี้บ่ได้ก่อนหน้าก่อนล้างก่อนหน้าก่อล้างแล้วก็พุ่มซอกใส่แล้วก็ไปแล้วน <c oughs> ั่นที่ฉันนั่นพ่อปั น, งง น, นงังมีงวันมาัดากายสร้าง สีแกงหูเพื่ออะไรมันมีวันกแกงไปพ่อปันั่นหะวันเนาะพ่อปันเลือกปันย่างไป่กัดงวกัดขั้วตีห้าบางตีหูบางซ่านั่นหละมาสามารถต่กัดงวกัดคว้ยให้ตายอันเนาะนั่นก็มีปันย่างแลืนี้งว นี่ปัญญาตีหางตีหูแขวงกับนี่ปัญญานอนหนาเสร็จแล้วเพื่อคีดตมเน่ยอย่า้ต่อหมอกหลอกคุณเจต น, นานอนนาก็เจต น, นาที่เขาต่ำไปอันเดียวกันอาจารย์เดิมเขาโยผีเด้บวกน้องเขาโยผีเด้อันนี้ที่มาเป็นเจ้าเใจ คณะกจต้าน่าังเพาะผลทุกในปัจจุบันศาสตร์ปัจจุบันใิดปัจจุบันธรรมคณะกิจเดียวศาสนาจิต ท, ทั้งปวงศาสนาคณะกิจทั้งปวงต่างล้านล้กุดกตื่นตติวตทะเลี่ยติมัดใหญ่แล้วถืบนได้นับทิพบุรุษุน มงงขาไปบานเดียวก็ต๊กสิได้คุณมงศอกมงเข้าไปบานเดียวก็ขามหอดเชือกที่เขาคึงไว้ในลงน่วยคุณโต๊ลงคุณกำลังแห้งดิเกีตนานี่ของสำคัญแค่ไหนจึงไม่เกียตนานลงใดไปนั่น ก็เพราะเขาเห็นไพ่ในวตาสงสารอย่างเต็มที่เขาไม่ได้สงสัยในเรื่องไพ่ไพเมื่อเขาเห็นไพ่ในวตาสงสารอย่างเต็มที่นี่ความเพิ่ของเขาสิมาเต็มที่ได้ประตูได้อีกนี่ความเพิ่ในไพ่ประตุนิยมมันจีเป็นกองทัพมดแดงเขามากก็สู้ไฟว่าอะไรขึ้นกันเนี่ยไฟล้นอ่าวาเดียว์ ของทับเพิงว่าเกิถือควรร่วนก็เห็นที่นีทไปหล่นเนี่ยนอามากเลยคุณค่วนใช่ ผู้เห็นไพ่ในวตารอย่างสงสารอย่างต็มทีก็คือผู้เห็นเพิ่นในวัตารเห็นโทษในความเพิ่นในวตารสงสารอย่างต็มทีนี่นมันจะีอันมีคว่ำหมายเท่านั้นอันเดียวกันพระเยสุประาน า, านญาติเห็นสังง้งขานตั้งข้อฝากโคตรตั้งข้องห่ากลัวอที่นวานุปัสสนาญาตเห็นโทษในวตารสงสาร มุนจิตูกับมายาตายานหรือใครจะคุนไปเสียยานแต่ที่สังขานุกัสนายานพิจนาในคันทางที่ตัวเดินท่านนี้ครับสัจจานุโรมีกายานี่ย่านพิจนาอริยสัพมันจริงด้วยแล้วจิตใจของเรายูดสมือนจริงซ้ำไหน นี่ความเห็นซ้ำไหนเป็นที่นอนใจอะไรระเบอ่อโลกโกลลวงละลับไปได้แ ล, ล้วเพราะตนไหนยังเหลืออยู่เทไดเห็นโทษเดี๋ยวเทไดยังเหลืออยู่เทไดหรือมัดไปแล้วสจัจจะในโลกนี้ก็ยาก ที่เคยกระทบกระเทือนมาทางภายในอกภายในมันรุนแรงมันเก่าหรือใหม่เริ่มปิดเใจเพียงไาสักวันหนึ่งเห็นซือ่อๆจ้บพิรุษป็นไหนคือกันโอ้เป็นอะไรยังโกรอยู่ในตัวเป็นพัจชะตังอยู่ในตัว ถ้าทางหูจมุกกิงกายจิตมันยังไงมันเดือดจังไหนมันห่อนจังไหนมันตั้งอยู่จังไหนมันหายไปจังไหนเหมือนเป็นเพียงแต่ลมพัดจะชื่อแต่ก็พานไปลมพานออกท่างรุ่นับมาพานอีกก็พานไป อ, อีกนนที่จะกวดึ้นกันรักจากนโลกมีขยนัน ือเอาเทเอาพระเอาสนะเอาลาเอายอดเอานะเสริญเป็นสนะนั่งคัช้ามบอกหรือมันจิถือเอาบนควมลุดผลในวตตาท่องสาเมือนเป็นสนะนั่งคัดช้ามีแทะมันก็ต้องตอบมันมันก็ต้องถามมันเมื่อถามสัตว์แล้วมันก็บอกมาถามอีกมันก็บ่กสงสัยอีกคำถามแล้วมันก็บอกขบดขึ้นสิ่งไรคือขมสงสัยแล้วบอกขบดขึ้น ชินี้มันสิ่งควบคองใส่แต่มันขบดขึ้นคําเราขบดขึ้นมาขว่าขบดขึ้นให้สงสัยดิอย่างว่าขบวดขึ้นคำมาบอกขบวัดขึ้นมันเป็นเพียงนึกถึงสิ่งมันกับเราสงสัยนึกถึงอน้ำไหนมันก็เป็นเหลืองเกาอยู่นึกถึงน้ำไหนกัมันเหลืองเกาอยู่มันโมสงสัยมันก็เพียงเป็นเที่เรื่องธรรมศาสตร์ของมันอยู่ตามธรรมดาอันนั้นแบบหนึ่งมันเลยนึกถึงสงสัยด้ แบบนึงมันแล้วลึกถึงเป็นพิธีซีลมันไม่ได้สงสัยมาแห่งอายมันกะล้ายธรรมะพระ อ, องค์เก่า ว่าใหน่อยมันก็น่อยผู้ที่ให้หน่อยให้ร้ายนีย่ก็เ ห, ห, นเหมนผู้กิจตสังขารนี่แหละู้ที่้ให้มัน้ายก็เป็นผู้จิจตาสังขารนี่แหละู้ที่ใ ห, ห้ให้มันน่อยก็เหมนจิจต้สังขารเนี่ยจะต้องมีสติปัญญาสัระยุตเนี่ยกันออกป่ะละีขย้ายออกร้าย กับมีสติปัญญาทั้งประโยชน์คือกันชีขยายลงมาหน่อยกับนี้สติปัญญาทั้งประโยชน์คือกันสย่นลงมาหน่อยชี้สมาธิปัญญาเพาว่ามันเนียกกันได้เนี่ย ก, กันเพราะเป็นวิธีเนี่ยแค่ยังนเนี่ยเพื่อให้เจ้าของเข้าใจซักทีซื้อเพื่อเป็นจริงชี้สมาธิปัญญาเนียกกันไปไลยกรมการอุดรูด็นกองทัพทำ ยิ่ในโรคี้สมาธิปัญญาไเป็นโรคที่อุลอุดยุคกันนะขางหน้เป็นพิธีให้เ จ, ออจ้าของเข้าใจยิ่งช่วยเาขึ้นหนังกับเนื้อกับเอ็กับกระดูกนี่หนังมันอ่อนเนือมันก็อ่อนกระดูกมันก็อ่อนพราะมันอันอุ่งมันยัง อ, อ่อนอยู่อันยังอ่อนมาความมาคิดตามทำตาม เขาจยื้อซ้นั่นจะคนสั่นกลางมากอายุสามสิบมาประมาณน้ำมันก็แก้เข้าในแบบมันก็แก้เขากระดูกแก้เข า, เขาอันเดียวกันนะกับชินสมาธิ ป, ปัญญาเห็นสัตว์ินสมาธิ ป, ปัญญาของปัสดาวบันจึงอ่อนกว่าสกทาขามีสกทาขามีจึง อ, อ่อนกว่าอนาขามี อันนั้นีจึงอ่อนกับอาหันชินสมาธิปัญญาควบคืนกันสัมปยุตตาปัจโยอันยะมันยะปัจโยสัมปยุตตาปจัยกันสระนรหันผมมีสัมปยุตตาปจัยผมมีอย่งสัมปยุตได้ผมเอ็นอนันตลาปัจโยพุทธะแล รูท่าอารมณ์ทั้งหลายห่ะพออารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอั น, น, นตรรพจัยเมื่อท่านปล่อยท่านว่างท่านรูเท่าตามเป็นจริงเนี่ยท่านรู้ท่านพ้นไปแล้วท่านก็อยู่อเนืออารมณ์ทั้งหลายแล้วยื้อเนื้อจิตไปอีกสองนี่ท่านพึ่งที่เจ้าจึงยืนยันว่าเรารู้จักตามเป็นจริงเรารู้จักกิจตามเป็นจริงของกิจ แล้วเร่ามาในยุทธายอำนาจของกิจเล่าบังคับกิจได้เหมือนน่ายซาลธีฝึกมากเล่าจึงยืนยันว่าผุริสาธรรมสารทิเปยียบเหมือนหน่ายซาลธีฝึกมากฝึกขา ย, ยันก็ได้ฝึกขรรเนก็ได้ฝึกให้เข า, ขาสมาธิก็ได้ฝึกให้พิจารณ์ก็ได้ฝึกให ย, ยุทธอยู่ก็ได้ฝึกว่าให้เดือดรอดก็ได้เราวฝึกได้เมื่ เราบริยูได้อำนาจจิตพลางครัริสาธรรมสาสรทีแล้วฝึกจิตได้เลยด้วยมหาสติด้วยมหาปัญญาเราจิตกับเป็นจิตที่ตามเดิมไม่มีผิดจิตของเราสมาธิกับสมาธิตามเดิมไม่มีดดมกิเลสเขาไปสิยึดถือเอาเป็นเจ้าของคนเราปัญญาก็เป็นปัญญายงตามเดิมไ ม, มดด่มีกิเลสเขาไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของไม่มุดกัเป็นไม่มุดตามเดิมม่มีกิเลสเขาไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของ เน่าหมดใยึดถือในศูนทรพจน์สินสินเน่าหมดในยึดถือในอันพุชุนพุศีนเข้ามาเราหลู่สุนแต่เป็นจริงของสูนยหลู่อันพุชุนแต่เป็นจริงของอันพุชุนมันได้ติดอยู่ในเงื่อนทั้งหลายทั้งอดีต้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยทั้งผู้รู้ด้วยทั้งผู้ไม่รู้ด้วยเราไม่ได้ติดอยู่มหาญาณมหาอิมุดของเราเหนือไปหมดแล้วมหาสติปัญญาสัมมาวิมุตด ของเราเราเนี่ยเราหนืออกไปหมดเลยเรารุดพ้นไปหมดเลยรพ้นจากความหลงตอนนี้ไปหมดเลยที่มายืนยันว่าวินญาติของสนติของเราไปต่างรูปนไหนกันมาเียไม่ยืนยันว่าวินญาน ไปที่ส่นที่เข้าไปสัมะยุตอยู่กับบนไหนชัว่าวิญยาณไะที่ส่นที่เข้าไปเ ป, ไปนน็นอัญญามันญาอยู่กับบนไหนเป็นวางสิแล้วมันามาได้พูดขอคางตัวแล้วพูดขอคงางธรรมแล้วมันได้เอากิเลสมาพูดด้วย ธรรมตองรูต้ตามเป็นจริงของธรรมจิตต้องรูต้ตามเป็นจริงของจิตพันวาของฉันผู้หลูรู้ตามเป็นจริงของผู้หููเราผนยิยตือในเงินทั้งร้ายพันว่าผู้หลูของเราไม่มีพิษสมาธิของเราไม่มีพิดปัญญาของเราไม่มีพิษเพราะอุปทานไม่มี อดีตและน้คอปัจุบันข อ, อนงเราที่เราสมมุติมาใส่เขอนไปไมีพิษเรากายดีกายเด่นไปแล้วเรากายชั่วไปแล้ว ค, คนว่างกายทั้งดีทั้งเดน่นกายทั้งชัวไปแล้วกายทั้งบุญไปแล้วกายทั้งบาปไปแล้วกายทั้งอันสุนทรแล้วระสุนไปแล้วครับ คิดตั้งกองทัพใส่ามาสู่กับเราอีกปัญหาของเราไม่ทลายแล้วแก่ไปหมดแล้วเราสนะปัญหาของเราล่ะไม่ได้มาสอดเสียกให้เรานักไก่เลยปัญหาของเราเรารู้ตามเป็นจริงของอดีตเรารู้ตามเป็นจริงของอนาคตเราดูตามเป็นจริงของปัจจุบันเราบริษัทอยู่ในเงินทั้งชาม เราหลุตามไปจริงของหลุดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราบม่ได้ติดอยู่ในเงินทั้งหาเราอยู่ตามไปจริงของคณิตะสมาธิอุปจารณสมาธิอัปปนาสมาธิเราหลุตามเป็นจริงของปทมธานตุติธาตุตาติธาตุจตุธาตุอากาศนาัญจ่าวิญญาณนั่นจ่จนยายยตนะอาชิมจัญญายตนะนี่ว่สัญญาหนาสัญญายตนะนี่หลุดสมบัติเราหลุตามไปจริงด้วยเราได้ดื่มรดด้วยเราไม่ติดอยู่ด้วย สมมุติว่าเล่าเนี่เราก็ไม่ติดอยู่นสมมุดว่าเล่าเด้วยคำว่าว่าควายว่าสิ่งว่าของทางวัตถุนี้ย่อมอุดมคติได้ใดเราไม่ติดอยู่เรารู้ทำเมันจริงวัดเราปฏิบัติตามมันจริงวัดเราผลตามมันจริงวัดเราทเป็นจริงเบื้องต้นมันรูปปฏิบัติเรามำเป็นจริงตอนกลางมันรูปปฏิบัติให้ยิ่งขึ้น รูปตามเป็นจริงของสุท้ยคือปฏิบัติรุท้ทวนแล้วรูปตามเป็นจริงรุท้ทวนแล้วนั่นตามเป็นจริงนม่มีอะไรสัง่งพระสวดาบันดอ่างรูปตามเป็นจริงเหมือนกันพระเจ้าค่ามีกัอ่ า, า น, ร น, น, รนรูปตามเป็นจริงเหมือนกันพระหลัหันรููตามเป็นจริงเต็มภูมิแล้ว ข้าพเจ้ารู้ทำเป็นจริงมันยังมองเป็นส่วนร่วมเยอะเจ้าเป็นจริงสัญไนบุ้คือคนคนแต่ค น, น, คนยังไรบุคือปัจจุบันนี่จ้กปัจจุบันดีปัจจุบันซว่เจ้กปัจจุบันรุดพ้นบุ้งรุดพ้นังไพก็อางอะไรคือกันผู้รู้แพก็ะอางไะไคือกั น, ก น, นจ้ว่ารู้พน้นู้รู้บ้พ้นบุ้งแพะก็อ้างอะไรคือกัน ผู้ทโต้ผูโ้ไปว่าผูู้ตีทมโมท่ัำโมไปว่าสรงไึงผู้ลู่ตีทงโคสทำโไปว่าปฏิบัติผู้ลู่ตีแต่ปฏิบัติทำทีสรงไหวตีไพกับวอา์ไรจังมันมันสั่นไรบุรุษหรอระสว ด, ดาวันก็มีสักกทาข้ามีอานาขามีอรหันต์ก็มีลูกกีก็มีเขาไปรับประสะเขากรว่าเขาดูทำเป็นจริงขึ้นเอ๊ะพระที่ไปเป็นพระยานให้เขาว่าเขาบวช ก, ก็ตามม เขาของหัวลอยยึในใจคือกันคำามาสั้นทิ่ที่โก้เมันก็เห็นหมดทำซัวก็เห็นตุนทำซัวคือกันพวกท่านดีก็เห็นตุนท่ดีคือกันอน ห, หน้าที่เรโลกีระหัวนำะความหลับบ่มีในรูปผูรุดพ่นของเจ้าว่าตัวรุดพ่นผู้บุรุษพ่นของเจ้าว่าโตัวรุดพ่นคือกันอืม ส่วนที่บตามเป็นจริงเ่ตามเป็นจริง แ, แต่กรณีของใครของมันลราบออันเราตัวกัยังเจ้าก็เราตัวอย่างนตัวก็ยังงเจ้าก็เราวาตัวอย่านถึงของจ้าทอเราคือพระพุทเจ้าครที่ถูกคนทั้งอื่นมาบอกมากดมาคมพวกนิสัยทิฏฐิหายหเป็นคนเลว พอระยะจองงิคือคนว่าถ้าท่านถ้ามาเสียอิสราเอาพนับได้ถ้ามาเสียลาบเสียเงยินค้นจริงวันนี้จะคามจริงก็ว่าเห็นว่าผียาเปไสายค้จริงวันนี้จะค้นจริง ม, มันมีสองสันนสันโลกริหนึ่งสันโลกุตระลหนึ่งคนจริงวันนี้จกสันค้นจริงสันโลกกุตราลาละละีมาทับถมได้สันพระกุเจ้า จงมุ่ไปสวดให้พระสวสดาบัณมาเป็นผู้ตุศน์เนี่วไปยงครับเสกข้าาระไหรไปยังเรามีมีเด็ดลายเสกสันให้พระอนาค่ามีมาเป็นผูุ้ศนเสกสันให้พระอรหันต์มาเป็นผูุ้ศนเมังเพราะเราเป็นเจ้าของคาเอกเกงเห็นสันพะพุทธเจ้ยังเข้ารบธรรมสันเสกสนผู้ตกมหาวิจีนรกุณหายพลุขึ้นไไว้ได้ไปยง สันบ่ได้ไถิเมตตาท้าพระพุทธเจ้นยังเสีสันให้อธิษฐานเสียสันหรือยังว่อนในคิดใน ใ, นใจขอใเท้เทระทักพ่นจากนรกเสือสุภพุทธมุนน่ะนันทามนุษย์มุนน่ะเสกบ่ได้หนสันอีก ผู้ิเจ้จึยยงเข้ารลกธรรมสัมโมเข้าโลกาทะโพเขา้ารลกธรรมตามเปนจริงของธรรมธรรมจึงเกิดก่อนมีแต่พระได้ปไปอย่างโลพระสีนับถือบ่านับถือก็ตามธรรมกับมอยูศาสนาทีล่วงไปเทไดธรรมกับมิยูอริมอยมรรคอริยผลกับมิยูพรที่จับออกมาใส่มาพุทธประภูปฏิบัติตื่นบมาก็ตาม ทำทางราก็ไม่ยุพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์ใดก็มาตัดสรุปทำมันเดียวกันมาปฏิบัติทำมันเดียวกันมาแสดงธรรมเจ้ากับประวัติศาสตร์อันเดียวกันมได้แซงกันพระพุทธเจ้าองค์ก้อนๆพระโคดมตั้งมัญญะไว้พอดีพอดูถ้ำเถวถ้ำทอเล่าพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตัดพอกันบ่มีได้เพียงสั่งบารมีปัญญาธิฏกะสัทธาธิกะวิริยะธิกาตั้งกันที่ซื่อส่วนผลลายใด ถเข้อมักพันนิพพานอันเดียวกันส่วนบริษัทหน่อยหลายอายุยื่นมันยืน้อนเวลาหยดทนะเสรินอันนั้นต่างกันรถพรันิพาณอันเดียวกันรดพันิพาณของภาษาบอกพระพุทธเจ้าอันเดียวกันรถธรรมอันมาตายรดอันนั้นว่ามันลื่นสิไปดืมลื่นหยั บ, บสิไปลืม ให้เป็นผู้รู้จักพระนิพพานส่งพระนิพพานก็พระนิพพานแลี่รู้จักพระนิพพานนอกจากพระนิพพานจะไปรู้จักพระนิพพานให้เป็นผู้รู้จักพระอรหันต์ก็พระอรหันต์แลี่รู้จักพระอรหันต์ว่ามันพระอรหันต์จะไปรู้จักยังไงให้รู้จักรถของสมาธิ ก็พูดดื้อก็พูดเขาถึงรถสมาธินะสิรู้จักรถสมาธิผู้ว่าเขาจึงหูจักจังเลยผูดดื้อพรดชสิรูจักรถปัญญาก็พูดแน่นแล้จึงหูจักรถปัญญาผู้มีปัญญานผู้พระเดชสิรูจักรถของข้อมลดผลก็พูดลดผลนั่นแล้วข้อมมีพักบมีสายคือทัางนอกโวยคือรัฐบาลพวกเขาไม่นิด ม่พักไม่สายเงสิขอ้อเมืนบันันที่ที่โก้เป็นข้มีอำนาจเปนข้องกิ่งแปลได้ทั้งโลกกี่แปลได้ทั้งโล ก, กุตละอากาศที่โก้ก็คือกันผู้ผู้เข้าสอบรครอบสอบซกจิตใจของเขากับ่มมีการมมีไม่ได้คือกันนักไปทานั้นด้วย ผู้หวังผลทุกในมาตตาสงสารจิตใจเขาก็ไม่มีการไม่งานที่ไหนนะก็มีความเยอเ ท, ท่านั้นวางสันต์กัอนงา น, นอื่นผมก็มาสวนแล้วสวนจิตสนใจเขาเพราะเจตนานีเจตนาเขาควระสมเป็นอันเดียวกันพิจกันจะพยันชนะเท่าเหมือนกันโดยอักโดยทรร เืองว่นเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติที่คนที่ขัวทั้งนั้นว่าท่านมันที่มาผูกปัญหาให้คิดจะพของสงสัยวุ่นวายกันบกขาค่วมสงสัยวุ่นวายให้ออกซะแหละบ่ได้ของมันสิยติดอยู่ในสมาธิบัมันสิยติดอยู่ในปัญญา เ่อมันสิดติดกันในสุนทรู้เ่อมันติดติดกันบนในสุนทรนะคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ร <a> ู้ตามเป็นจริงทุกอย่างสมมติให้รู้ตามเป็นจริงสมมติอัตตาให้รู้ตามเป็นจริงของอัตตามโหสถไปศืนอนาตตาให้รู้ตามเป็นจริงของอนาตตาใครจะเป็นเจ้าของอัตตาและอนาตตามุ่ยใครเป็นเจ้าของเลยสัพเพธรรมะอนาตตาอยู่ตามเดิมเ้อืย ขันอัตตาเลยเธอได้แดนไปเห็อนาตาก็เลยเธอได้แดนไปคือกันเนี่ยขันอนัขันอัตตามี <together> ขอบเขตอานาตาก็มีขอบเขตคือกันอย่างนี้มีมุดก็มีขอบเขตคือกันเย่างนี้สมมุติก็มีขอบเขตคือกันเนี่ยคงเสียงคงว่าคือกั่นะ ถ้ไฟเกิดไฟดับก็เป็นอนัตตาก็คือการเช่นี้ยไฟเป็นเจ้าสันไฟเป็นเจ้าเป็นจอมถ้าไฟเกิดไฟดับสันถ้าไฟมาเกิดบาดับก็เป็นอนัตตาเฮือนไฟเป็นเจ้าเป็นจอมไฟท้าไฟมาเกิดบาดับสันแต่ท้าไฟมาเกิดบาดับบ่ได้บรรญัติอนิจจาไปใส่เลยไม่ได้บรรยัดทุกยัทุกขาไปใส่บรรญัตอนิจจาทุกขาไปใส่เลยจะถ้าไฟเกิดไฟดับเนี่ ทำไฟบ่เกิดบ่ดับบ่ดับแต่ใส่บ่ได้มันไม่แนวมีขอบเขตอยู่จริงสัน่นอัตตาไปจนบุปผีขอบัดบมึงรู้สั่นอัตตาพิคือกันอันนัตตาไปเจนบุมีบุญมบาปมรู้สั่นบาปมีอยู่บุญมีอยู่จะขาาดด้าวประจไม่ติตอยู่ในบุญในบาปนะผูผ้คนไปแล้ว วดัดเดียรปฏิเสธบาปว่นวีบุญวนีมีก็สร้างไหมมีถูกยึนำผู้อื่นขงข้าพเจ้าพ้นไปแล้วข้าพเจ้าบัดดียึดถือม่อไข้าพเจ้าเฮติงสันมันที่เป็นบาปเฮติงสี่มันที่ได้เป็นบุญข้าพเจ้าคุไดเระว่างจิ้ของขา้าพเจ้ า, าละเมื่อข้าพเจ้าย่านบาปยานบุญย่งฉันข้าพเจ้ายังตามรักษาจิตบของขา้าพเจ้ายุ่งฉัน เราเียว่าเข้าไปเจ้าเป็นทุกข์ที่ง่ายควบนักโทษท่านจงชวยพันยาไม่เป็นบาปท่านจงคิดกิาไม่เป็นบุญจ้ะผู้พไปแล้วเพราอนบันไดตามนักสายคิดพันยาเลยม่มาดน้ า, าดยี่มดมือของมืห้อยนกบินในาอากาศบินยี่มดมือ็อง ม, มืห้อยแล้วจะไปไท้ายเทปอะไรแล้ว ท, ท้ายโทษทัถ์เอาห้อยได้ห้อยนกบินใ น, นอากาศนะ บินไปก็เห็นเจตโตนกห้อยมาเห็นพระเว้าวันไหนสร้างมาปัญหายังยาหัอมันปัญหายังยาหัอมันอันนี้แก่ปัญหาส่วนตัวเขาส่วนผู้อื่นเขาแก้ว่าะตกกระแ้ม คือเหลือยมเาไปห้ามันแล้วนึกว่าเขาแก่ยังเป็นท่รมันว่าตัวเกลือไปใช้กับจังเป็นมู้เพื่อนอยู่น้ำล่อยๆพันพันคนกระจามกระทือว่าเราพูดเยวเสมอนสิว่ามันเนี่ยที่เรื่อตัว พุทธินับถือเรือดีปานญกตามพุที่นต์ตงเกียรติปัญญดกตามก็ต้องถือว่าเราพูดอยวเสมอที่เหลือมันจังได้ข้องแพ้ของมั่นเน่ไหลขอบขอบแพขอบมั่นเน้คนดี้ะคบซัวขอ ง, ของคิ๊ข้อไก่ข้องแพ้ข้องมั่นเน่ กับตายถ้ำไฟตายเขาพอ่พอพ่อมาพ่อแห้งเหรอท่องเที่ยวมาพ่อแห้งอต้อ่การดูแกลงแทงตลอดถ้ามันไฟประต่ายขนาดนี้เลยฉะนั้นถ้าไฟตายมันพานมาพ่อแห้งเลยสอบประตูก็กคนก่อนท่องเที่ยวในวัดตาทังสามไงก้มหลงก็สอบประตูก็ขคน ก้มโลกก็สอบบตกจกค่อนบทอไรขัแน่นหนึ่งกับขแน่นหนึ่งังตั้งแต่ว่าได้ตีได้โทษได้๋ยวเอกพ น, นังจะเจียบตายพระเจ้าอาวาเป็นห้องไฟไ่กระะทอกันหมืด ว่าเราแก่ก็ได้ยืนยันว่าเราเก็บก็ได้ยืนยันว่าเราตายก็ได้ไม่ใช่ตีเรือกันทันที่ว่ายืนยันว่าเราแก่เราเก็บเราตายว่าสันเป็นที่เพียงอาสังขารถ้ำดอกสันก็สมมว่าผักกันพื่กันเนี่ยนี่ไผ่ตายนี่ไผ่เกิดอกสังขารถ้ำดอกไว้กันก็สมมกันสมว่าผักกันกัน คนทั <necessary. S 2> ้งหลายมาตายมาแก่มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายมาลบมาเกิดมาลงอะไรักแต่เสมอภาคกันในสั้นนี้คือกันผู้ใดทำดีก็ได้ดีเสมอภาคกันเมื่ส่วนใดนอนโดยในหลายก็ตามจ็เป็นสั้นๆไปอีกสุวนคนที่ทำหลายเมื่ก็ได้หลายเมื่อทำหน่อยบ้างทำหลายบ้างทับสนปนระมานกันก็ได้หน้อยบ้างหลายบ้างรู้ท่านละก็เดียวกัเสมอกันอยู่คือกัน หมดแลําเอียงเดีไวกไ้จับไฟหน่อยขอห่อนหน่อยไ้จับไฟไฟหลายของห่อนหลายเดียวทีราเอียงก็ไปก่อนได้กินเขาค่ำเดียวก่ออิ่มหน่อยพวกได้กินเขาหลายค่ำกว่าอิ่มหลายแต่เสมอผักกับไปนั่นตัวเสมอผักทั้งนี้นพูได้เป็นพอเป็นเมรือจักสินจักทั้งก็มีคุณค่าสูงพอเมย์สบนั่น กะสมวครารคกันปนันตัวเพื่อได้เป็นลูกคุณวุฒิของลูกกับสองตั้าก็พ่อก็แม่กส็สมวครพคกันไว้ประนันตัวดีใหเต็มเลยสั่งเ่อได้ทาดีดีเพื่อได้ทำสวัดีสัสสมวครพคกัน จังมามา่นนี่แล้วเนี่ยผู้ใดรุดพ้นก็รุดพ้นเสมอภาคกันขึ้นกันตัวรสศาตร์ของความรุดพ้นลดศาตร์ิดาสใจของพระสวสดิบันก็เสมอภาคกันนวดดจิตรดใจของพระสกทาข้ามี carrier, flips, นี่ก็เสมอภาคกันนวดนี่วางไนเนจิตลดใจของพระอานาคามีี่ก็เสมอภาคกันนดรดใจของพระอรหันต์ก็เสมอภาคกันนวด สมมติผักจาพวกอะไรกันจะริดเด็ดตั้งกันรถจิตรถใจของพวกปลุพวกสล่มมันแน่พวกที่ขาก้นใหญ่พวกเอาขามาไล่ข า, ก, า, ขา ก, กันมุน่นเขาก็เสมอการมุ่นที่วางได้จังพวก ถ้าถ้มเป็นผลของกัมเป็นปรมาันละเอียดนั่นแสดงองไรจุงอยามพระหันอยู่เนือกัมและผลของกัมไปแล้วสำคัญจิไปตามทั้งพนิมพานอย่างไน ตามมาถึงแต่ขันหาแล้วลุขันน้าขัานเวทนาขัานสัญญาทางขันยิน ญ, ญา่านขันนั่นแหละนอกนั้นจิตตามไปถึงย <ไป S 2> ังไหนๆกวูวเรี่ยงกันอยู่ในหล ก, กนลี่แหละเมื่อตามบเห็นหอยก็ขึ้นมาบ่อนทันัวร์ลุงหอยเ่ะคือเขาลงหอยมุง ห, อ ย, ง ห, อ, ยงหอยกวงไม่เห็นหอยมันงเหรออาจารยสุดสยัยเลยวาขึ้นทันทัวร์เจ้าแห่งมระ ย่อห้ลงลุมแทนตัวผู้มาคือไปเข้าไปขาพระโมคคัลลาแล้วอุปัติของคนมึนี่เยอะในหันละเกียดแห่งมอก็ย่อหายลงรุมก็ไปพ่อแต่คันหาแบบแบตีคันหาพ้นแทนแล้วตายกับเป็นคันหาพูทตายแต่กัเป็นคันหาพูทธเตี้ยกี่เดีท่องพ้นตายแล้วแจะปังไดลหร เรียกว่าขันนิพพานเท่านั้นเองบาทสีส่วนชิตนิพานนิพพานเนี่ยถึงจะปางเป็นพระหัต์พระท่านตายอิมุลมันตายเนีนเเ่ยผมจะบอกว่าขันนิพพานเท่าน้นเองมีสมุดท่านั้นสมุติต่างข้อเป็นจริง่าเข่าสู้อนุปปาทิเสส น, นิพพานเท่านนเออุปาทิเสส า, านิพพานพระหัต์ไม่มีชีวิตอยู่ เขายังใส่ขันหาอยู่แตห้องปิทอยู่ในขันหาจะขันหาหางมัมีพิษมีสงม่มีเจลีกระผสมยหันไปยึดไปถือยหันต่หางสายอยู่นตายไปแล้วไม่ได้ใส่ขันหาของขันหานี่ย่านไปเลยไปใ่ยัง เหดุฉะนั้นข้าฝันเห็นพระพุทธเจ้าข้าวฝันเห็นพรอพ่อแม่คุณจันหมังฝันเห็นท่านผู้นั้นจึงเป็นรูปเป็นนามมากก็ข้าวเป็นรูปเป็นน้ามยุ่นนี่ฮนี่ข้าวกะเป็นพระรหัน์ชาเพิ่นกะเป็นพระรหัน์ชั่งกะทุกคนจะตายไปแล้วสะไปเกี่ยวกันยังไงข้ายังเป็นพุทธส้มข้อนายขันข้ายังเป็นยื้ในสันสมาธิสันนัยสันนึงนึงสีบางที่มาพันในสมาธิสมาบาทองหอมกะสามารถมาได้ อูพราะเหันผูนึ่งเป็นสิศนั้น้งเป็นทีน่ก็สามารถมาได้แต่ลูกอ น, นั่นเกิดดับไหมก็เกิดดับเหมือนกันเลยเพราะแสดยงเป็นทันหามาเอยแสดงเป็นลูกขันมาเห็นเป็นบุคคลาธฐานเด่กก็เกิดดับเป็นคือกันเลยเพราะเหตุอย่างไรเพราะคืนผู้หนี่มันยังมีขันหาอยู่กัแสดงขันหามาตัวกฐัามมะเนี่ยเทวาพระพุทธเจ้าลงมาเทวจริงเมื่อไหนเทวา คนสีรลงมาเองกระท่ำของเฮ้าไปแสดงเป็นบุคราธิฐานในองนั้นธรรมะของเฮ้าถ้าเราโหจิเจศิรลงมาชักเทื่อใครถือว่าพอมีผู้บ่าจัดมันสิลงมาชักเถื่อกระทั่งมาของเฮ้านะออกปแสดงเป็นบุคราธิฐานเฮ้าเนียนนอมเขาลบอันก็อันนั้นแหมาธรรมะทีดิตให้ใจเฮา พระพุทธเจ้าเขาผมไม่เชื่ออหลวงปู่ฟันพูดว่าพระพุทธเจ้ามาสแสดงอย่างนั้นอย่างนี้นะท่านองหนึ่ ง, งมาตะกี้เนาะกัทธรรมของเพลนนี่แสดงออกเป็นปุูกระดับฐานนะท่านธรรมของเพลนท่านธรรมในตัวของเพลนพระพุทธเจ้าเขาสู้อนุปาทิเชษะนี่พานไปแล้วเพิ่นที่เที่ยวไปย่ำพูนอ่ะเพิ่นที่ไปเทียย่ยวไปย่ำพูดอีกเฉงเลยมันอยู่ในภพมรุก ถ้าธรรมะของเจ้าของออกเสียงมันเป็นบุคคลาธิฐานมาตามคว้วเสือพื้นดีของเจ้าของเจ้าของสางแต่บ่าวฝันเห็นแต่ขั้วกับเห็นแต่ขั้วเดือดห่อนันตัวมากมันบอกของสันว่ามันธรรมะผู้ใดออกเสียงฉัน ที่ชูฟงมาถามผมือเกิดกันข้านึงเขาคาดฆ่าว่าวิญญาณม่มีจริงหรือผู<ม>้ถามก็เอาวิญญาณถามผู้ตอบก็อโมโนวิญญาณตอบผู้ถามก็อโมโนวิญญาณถามผู้ตอบก็อโมโนวิญญาณตอบมันก็หมดปัญหาอยู่ในตัวแล้ว จะให้ใครถามใครจะให้ใครตอบใครเม็ดเสียงเลยคนตายมันถามกันไม่เป็นท่าที่่านก็คือศูนย์ สูญก็ศูญเป็นบางสิ่งไม่ได้สูญโดยประการทั้งปวงศูญที่ไม่มีโรคมีโกูธมีหลงไม่มากกเกิดแก่เก็บตามไม่เป็นบุคลาธิฐานมา อ, อีกแต่ทำของพระนิพพานไม่ได้สู์แต่ในเป็นของจริงมันก็มีอยู่ท้าวว่าตายเลยสู์ ใครเป็นผู้ว่าศูนย์ก็ยังมีผู้ลูกว่าศูนย์อยู่นั่นอันผู้ลูกอันนั้นมันศูนย์ไหมล่ะโมตระหาไปอีกหนี่ถ้าหากว่าตายแล้วศูนย์แล้ผู้ลูกจะให้มีสิแต่ผู้ลูกว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์นั่นใครไ ป, ไปเป็นเจ้าของ